ส่วนเสียของการมาสุขที่ควรย้ําข้อที่สองในเมื่อการมาสุขต้องอาศัยกรรมคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสโภตะพภะซึ่งอยู่ภายนอกคนที่อยู่ด้วยการมาสุขจึงเท่ากับเอาความสุขรวมทั้งโชคจะตาของตนทั้งหมดไปฝากไว้กับสิ่งอื่นที่อยู่ภายนอกและสิ่งภายนอกเหล่านั้นก็ขึ้นต่อเหตุปัจจัยหลากหลายที่เป็นไปตามวิธีของมันซึ่งผู้สแสวงการมาสุขนั้น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 เพราะไม่มีอะไรที่จะต้องแข่งแย่งช่วงจริงกันต่างก็สุขเหมือนกันจึงมีแต่จะนำไปสู่การระงับปัญหาและความสงบสุขส่วนเสียของการมาสุขที่ควรย้ำข้อที่หโดยเหตุที่การมาสุขเกิดจากการสนองระงับตัญหาถ้าปัญหาเกิดขึ้นแล้วไม่ได้รับการสนองปัญหานั้นไม่ระงับไปปมปัญหาก็เกิดขึ้นทันทีปมปัญหา